หลวงภาวนาสบายๆเมื่อกี้เราก็นั่งภาวนาไปทอดหนึ่งฟังเทศหลวงตาจะฟังเทศหลวงตาก็ให้ฟังใจเจ้าของฟังใจเจ้าของนลวงภาวนาฟังใจเจ้าของดูใจเจ้าของปฏิบัติสวดมนต์ท่องบนสวดมนต์ ภาวนามันไม่ขัดกันเพราวะว่าอันนี้มันเป็นภาวะอยู่วัดบางการแล้วก็ท่องบนสวดมนต์บางการแล้วก็ภาวนาตล่อมรวมกันขามาทิจใจทุกอย่างเป็นกิริยาที่งามทั้งหมดนั่นแหละการกราบการไหว้ ก็เป็นการทำให้กายงามเป็นความงามของกายการท่องบนการสวดมนต์ก็เป็นกิริยาทำให้วาจางามรวมลงไปที่ใจใช้กิริยากายก็คือเอาใจมาใช้ใช้กิริยาวาจาก็เอาใจมาใช้รวมคุณงามความดีทั้งหมดลงไปที่ใจ เราก็มาภาวนาที่ใจภาวนาที่ใจก็คือการจาะความรู้สึกเข้ามาที่ใจใช้สติกํากับที่ใจใช้สัมผัสัญญากากับมาที่ใจสํารวมเข้ามาที่ใจทําให้ใจได้รับความสงบมาสงบแล้วมันมีพลังในขณะที่เราตะล่อมเข้ามาที่ใจท่าความรู้สึกมาที่ใจใจเราก็มีกําลังใจเราก็มีพลัง ยิ่งเราทำไปทำไปให้ใจได้รับความสงบสงบในคันหี่ดึงในกันที่รังเอาไว้มันก็ยังมีกาลังดึงไปรัง้งไปจนใจมันอยู่ไม่ต้องดึงไม่ต้องรังอยู่โดยลำพังของใจกิเลสไม่มาแทรกใจได้ก็ทำให้ใจได้รับความสงบใจเริ่มได้รับความสงบใจก็เริ่มเริ่มจะรู้เรื่องของสัสจธรรม สัจธรรมสัจธรรมอันหนึ่งที่เราเห็นได้ไงไงก็คือเห็นว่าใจสงบนั่นแหละคือสัจธรรมอันหนึ่งเห็นว่าใจเป็นใจเห็นว่ากายเป็นกายมันเป็นเรื่องของสัจธรรมเท่านั้นแท้จริงการตั้งใจภาวนาก็คือตั้งใจเข้ามารู้เรื่องของหลักของสัจธรรมเดี๋ยวนี้หลักของสัจธรรมไม่มาปรากฏที่ใจของเรา หลักสัจะทําให้มาปรากฏที่ใจของเรามันมีแต่ความกะความเกณฑ์ของกิเลสภายในใจของเราเนี่มันไปกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนี้กะเกณฑ์เรื่องนั้นกะเกณฑ์เรื่องนั้นเรื่องนี้กะเกณฑ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามใจของฉันตามใจของเราตามใจของท่านเวลามันไม่เป็นไปตามกะตามเกณฑ์มันก็มีความทุกข์ทุกทางใจนี่แหละ จนอย่างมันหนาวเกินไปอย่างนี้นมันไม่ได้อย่างใจละร้อนเกินไปมันมาได้อย่างใจละถ้าเป็นเรื่องของหลักของสัจธรรมเป็นยังไงหนาวก็รู้ว่าหนาวเนื่องจากว่ามันเย็นมาะกกว่าปกติของร่างกายต้องการเราก็ว่าหนาวเกินไปนี่เป็นหลักของสัจธรรมถ้าเป็นร้อนอ่ะร้อนมันก็เป็นเรื่องของหลักของสัจธรรมภาวะมันร้อนเนื่องจากว่ามันไม่ปกติของกาย มันไม่พอดีของกายมันก็เป็นการร้อนเกินไปเราไม่ได้ทำความรู้เท่าทันว่าร้อนไม่ได้ทำความรู้เท่าทันว่าหนาวเลยเป็นเหตุว่าเอาใจไปกระเกณฑ์นทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าใจไม่อยู่ในร่องในรอยในหลักของสัจธรรมไอ้ที่ว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปนั่นแหะ เรื่องของเกิเลททั้งหมดนั่นแหละแล้วเราไม่ได้ย้อนไปดูตัวมันนะเราไม่ได้ย้อนไปดูตัวเหตุที่มันดำดิวันหนาวเกินไปว่าร้อนเกินไปเราไม่เคยย้อนเข้าไปแท้จริงก็คือตัวเจ้าตันหานั่นแหละมันดีบมันดิ้นเพื่อที่จะเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจชอบเป็นไปตามใจหวังของมันเพราะฉะนั้นเราก็ทุกวันคืนล่วงไปล่วงไป เราคอยนั่งรับเอากองทุกจากสิ่งที่มันกระมันเกณฑ์เราเนี่ยทุกวันเวลานาทีถ้าเราไม่เข้าใจเพราะฉนะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมคือการที่เราเข้ามารู้หลักความเป็นไปของสัจธรรมอร้อนคือร้อนก็มันมีร้อนหน้าร้อนหนาวก็คือหนาวมันมีหนาวหน้าหนาวถ้าเราทําจะให้รู้เท่าทําจะให้รู้ถึงให้รู้ทันก็คือ เข้าถึงหลักของสัจธรรมสัจธรรมง่ายๆสัจธรรมตื่นที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจนี่เรามาตั้งใจเผาหนาให้ทำใจให้สงบเมื่อใจเริ่มสงบ ก, ก็พอจะรู้เรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างแต่ถ้าใจไม่สงบ ก, ก็คือไม่รู้เรื่องหลักสักจธรรมเลยแล้วแหละว่าเอาเองทั้งหมดเกณฑ์เอาเองทั้งหมดให้เป็นไปตามที่เรากะเราเกณฑ์เอาไว้นอกจากเกณฑ์เรื่อง ความร้อนความหนาวแล้ว because, ก็เกณฑ์เรื่องกับผู้กับคนอีกอันนั้นน่าจะอย่างนั้นอันนี้น่าจะอย่างนี้คนนั้นน่าจะอย่างนั้นคนนี้น่าจะอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องไม่ศึกษานั่นเองคือเรื่องไม่รู้เรื่องเรื่องของสัจธรรมนั่นเองเอาความคิดเอาความรู้เอาผู้รู้นะไปกะเกณฑ์เรื่องนั้นให้เป็นอย่างนั้นไปกะเกณฑ์เรื่องนี้ให้เป็นอย่างนี้กะเกณฑ์คนนั้นให้เป็นไปตามใจเราอย่างนั้น กะเกณฑ์คนนี้ให้เป็นไปตามใจเราอย่างนี้คนนั้นน่าจะอย่างนั้นคนนี้น่าจะอย่างนี้เลยไปกะเกณฑ์ไปหมดนในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เรากะเราเกณฑ์สิ่งที่เป็นปัญหาก็ตามมาผิดกันข้องกันหมองใจกันดุ ก, กันว่ากันแล้วก็ น, นั่งทุกข์ใจกันแหละตอนนี้นี่หรือความเป็นอยู่ความเป็นไปของเราที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับเรื่องธรรม วันวันหนึ่งเราก็จะอยู่แต่กับสิ่งต่างต่างเหล่านี้แหละเอาแต่ความทุกข์มาเผาใจอยู่ของไม่รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอย่างไรไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้มันกลายมาเป็นฝ้าบังสติบังปัญญาของเราทําให้เราเข้าถึงหลักสัจจะคือความเป็นจริงไม่ได้ก็เลยวันวันเลยอยู่แต่กับสิ่งที่เป็นจอมปลอมจอมปลอมก็คือกลโนบายมายาของกิเลนัล่นแหละมันออกมาแผลงที่ให้เรา นึกไปตามมันคิดไปตามมั น, ถ, ม น, มนถูกมันดึงไปนั่นถูกมันดึงไปนี้ถูกมันพา ก, กะอย่างนั้นถูกมันพากเกณฑ์อย่างนี้วันๆก็นั่งคอยรับแบกแต่กองทุกข์ต่างๆเหล่านี้แหละมาทับถมโจมตีหัวใจของเจ้าของไม่ได้รับความสุขไ ม, ไม่ได้รับความชุ่มไม่ได้รับความเย็ยนเรื่องการเข้าไปรู้ตามหลักความเป็นจริงเรื่องการเข้าไปปล่อยการเข้าไปวางว่าไม่ใช่ปัดตาไม่ใช่ ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยในเมื่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันปิดมันบังมันกางกั้นสติปัญญาของเราแล้วไม่มีโอกาสที่จะรู้จะเข้าใจหรอกก็อยู่อย่างนี้แหละเจออารมณ์ดีก็ดีใจไปเจออารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยพุ่นวายใจไปก็อยู่กับดีกับไม่ดีแล้วละอันไหนดีก็คือดึงดูดเข้ามาที่จิตใจอันไหนไม่ดีก็คือพยายามผลักออกไปจากหัวใจ ทั้งดูดเข้ามาทั้งผลักออกไปก็คือเรื่องของมันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของสัจธรรมมันเป็นเรื่องของโลกธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องของโลกิยธรรมไปหมดมันไม่ใช่เรื่องของหลักของสัจะธรรมเพราะฉะนั้นการตั้งใจภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะได้เข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาบุกเบิกเรื่องของหลักสัจธรรมเรื่องของศินเรื่องของธรรมที่มากํากับจิตกํากับใจของเรา รู้เรื่องรู้ราวถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราแสวงหาความสุขได้ยากเราแสวงหาความสุขได้ยากเพราะความสุขที่แท้จริงอ่ะคือความสุขของความสงบความสุขจากความสงบความสุขจากการตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบอันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขอย่างแท้จริงถ้าเป็นความสุขอย่างอื่นก็คือความสุขที่ดึงเข้ามา เห็นดีเห็นงามเห็นถูกต้องเห็นชอบใจเห็นหน้าพอใจก็ดึงเข้ามาที่สัมผัสว่า ย, ยินดอีอารมณ์เป็นที่ยินดีก็ดึงเข้ามาอารมณ์ที่เป็นที่ยินดีก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ถูกผลักออกไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีสุขแล้วก็มีทุกข์ตามมาเป็นเรื่องของโลกธรรมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็อยู่กับสุขอยู่กับทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวก็มีความสุข พอไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ถูกความไม่พอใจลากเข้าไปละมีทุกข์เข้าไปละสุขก็คือสุขเขเวทนาทุกข์ก็คือทุกข์เขเวทนาไม่ใช่สุขบริสุทธิ์ไม่ใช่สุขบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากจิตในรับความสงบจากการที่จะของตั้งใจภาวนาเป็นสุขที่ไม่บริสุทธิ์เป็นสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของความพอใจของความยินดีของความยินร้าย เป็นสุ ข, ขเวทนาสรุปลงแล้วก็คือทุกขนั่นเองการดึงเข้ามาอารมณ์ที่ดึงเข้ามาก็คืออารมณ์ของความทุกอารมณ์ที่ผลักออกไปก็คือผลักออกไปพ้นจากตัวเนื่องจากว่าไม่ยินดีไม่พอใจอก็คือความทุกคือทุกขเวทนาสุขก็คือสุขขเวทนาทุกก็คือทุกขเวทนามันเป็นการสวยอารมณ์ที่ใจออกมารับอารมณ์ว่าไม่ยินดี ก็คือไม่พอใจก็ทุกข์ใจยินดีก็คือพอใจทั้งยินดีก็อยู่ไม่ยั่งยืนทั้งยินร้ายก็อยู่ไม่ยั่งยืนก็คือสุขทุ ก, ทกข์ทุกสุขสุขทุกข์กลับไปกลับมาเป็นเรื่องของโลกธรรมนี่แหละที่จะบอกว่าโลกธรรมโลกธรรมแปดถ้าจิตใจเราอยู่ระดับนี้ก็คือยังอยู่ในโลกธรรมแปดมีสุขหนึ่งไม่มีสุขหนึ่งมีสุขมีทุกข์ นินทาสารเสริญเดี๋ยวได้ยินเขานินทาก็เสียใจเดี๋ยวได้ยินเขาสารเสริญก็ดีใจดีใจคือสุขนิดหน่อยเสียใจก็คือทุกข์เข้าไปทับถมเข้าไปอีกได้มาแล้วก็เสียไปที่เราเรียกว่าได้ลาบหนึ่งไม่ได้ลาบหนึ่งได้ยศหนึ่งไม่ได้ยศหนึ่งได้ลาบมาก็เสียไปก็คู่กันได้ยศ มาแล้วก็เสียไปทุกข์สเนี่ยคู่กันนินทาสารเสรือเนี่ยคู่กันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นโลกกระทำถ้าเรายังไม่ได้เจาะลึกถึงเรื่องของสัจธรรมแล้วเราจะต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้จิตใจของเราอยู่ในระดับนี้เป็นจิตใจที่ไหวไปไหวมาไหวมาไหวไปเหมือนเปลวเทียนที่ถูกลมตีลมมาทิศใต้กับโอนเอ็งไปทางเหนือลมมาทิศเหนือก็โอนเอ็งไปทางใต้ ไหวกันไปไหวกันมาอยู่ยนี่แหะหรือเหมือนเปลวเทียนเหมือนควันทูกขนี่นแหละจิตใจของเราไม่คงที่ไม่หนักแน่นไม่มั่นคงหาความสุขที่ยั่งยืนก็ไม่ได้จิตใจของโรกเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ระดับจิตใจของผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นจะต้องเจาะลึกเข้าไปอีกเราจะต้องมาศึกษาถึงเรื่องของหลักของสัจ ธ, ธรรมสัจ ธ, ธรรมก็คือความจริง ความจริงก็คือสิ่งที่มีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเราก็พยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเปิามนั้นภาวะอันหนึ่งที่เราควรจะทำความรู้ทำความเข้าใจก็คือภาว ะ, ะเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วเกิดในท้องแม่เกิดมาแล้วเมื่อสังขารของพ่อกับสังขารของแม่รวมกันผสมกัน าธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันในท้องแม่ผสมกันในท้องแม่เราก็ไปจับจองอยู่ในท้องแม่เราก็ไปจับจองอยู่ในท้องแม่เราก็เจริญวัฒนาหลังจากสังขารไปประกอบกันปั๊บเนี่ยสังขารจะไม่คงที่หรือจะเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยสังขารต่างๆเหล่านั้นแม้แต่อยู่ในธาตุเป็นาธาตุของพ่อกับาธาตุของแม่ ก็ไม่คงที่สับเปลี่ยนมาเรื่อยมาเรื่อยเวลามาผสมกันในท้องแม่ได้จังหวะที่ดีงามประกอบกันในท้องแม่ก็ไม่คงที่เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยอย่างที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นน้ําใสใสประกอบกันแล้วเป็นน้ําใสใสเป็นน้ำข้นข้นเป็นเลือดข้นข้นเป็นข้นเนื้อแล้วก็ตามการตามเวลาล่วงมาเป็นปัญจสังขาร มีลําตัวมีแขนมีขามีหัวอยู่ในท้องแม่นั่นนะ่ะนี่คือรูปรูปธรรมที่เกิดในท้องแม่สังขารเกิดในท้องแม่สังขาร น, นับตั้งแต่สองอย่างเป็นต้นไปประกอบกันเนี่ยจะทําให้สังขาร ต, ต่างๆเล่านั้นทำงานไม่คงที่ภาวะที่เที่ยงภาวะที่เที่ยงของมันไม่มีภาวะคงที่ของมันไม่มีคือมันทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้ท่านว่าเป็นทุกข์ การเปลี่ยนไปข้อมันก็คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ข้อมันเนี่ยมันไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของของใจนี่เลยสังขารทุกๆสังขารจะมีอนิจจังมีทุกขังจะมีอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องอประจำอยู่ทุกๆสังขารอันนี้เป็นภาวะหลักสัจธรรมที่ครูที่เจ้าสอนพวกเราให้พวกเราศึกษาพิจารณารู้ให้เห็นให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เราตายใจ เพื่อไม่ให้เราตายใจในรูปธรรมอันนี้ไม่ให้เราตายใจในนามธรรมอันนี้เนี่ยเราเกิดในท้องแม่จิตวิญญาณของเราก็เข้าไปเกาะกลุมอยู่ในนั้นเจริญวัฒนธ า, าวอนออกมาเรื่อยๆแล้วก็ได้อายุใต้การได้เวลาก็ออกมาเมื่อออกมาแท้จริงร่างกายของเราที่เราได้มานี้เราได้โครงสร้างมาจากพ่อมาจากแม่ในระหว่างที่เราอยู่ในท้องแม่เราก็สืบ สูบเอาธาตุดินน้ำลมไฟจากแม่ไปเลี้ยงหลำตัวของตัวเองร่างกายของเราก็เลยเป็นที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุดลมธาตไฟเวลาออกมาแล้วเนี่ยแสนทุกแสนยากแสนลําบากแสนกันดานออกมาแล้วก็ต้องมาเลี้ยงตัวเองอีกตอนเลี้ยงตัวยังไม่ได้ก็พ่ อ, พอแม่กันเลี้ยงทั้งข้าวป้อนทั้งน้ํานมทั้งอะไรสารพัดพอโ ต, ตรู้เลี้ยงสาภาวะมาแล้วก็เลี้ยงตัวเอง เลี้งตัวเองก็คือมีอาหารข้าวน้ําโภชนาอาหารใส่เข้าไปนี่คือเอาธาตุภายนอกใส่เข้าไปเนื่องจากว่าธาตุภายในมันเสื่อมไปมันสิ้นไปนี่เราก็ใส่เข้าไปอันนี้เป็นเรื่องของหลักของสัจธรรมทั้งหมดนะที่เราควรจะพิจารณาย้อนเข้าไปดูเวลาเรากําหนดเราพิจารณาเนีเมื่อเราภาวนาจิตสงบแล้วเราก็ย้อนกําหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละพิจารณาให้รู้ถึงหลักของสัจธรรมว่าหลักของสัจธรรม มันมีสภาวะอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสามัญจลักษณะเป็นลักษณะที่เสมอการทุกๆสังขารจะต้องมีเหมือนกันทั้งหมดคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่คงที่มันมันไม่มันไม่คงรูปเดิมของมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยมันไม่คงที่ในตัวมันเองและมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเป็นทุกขังทีนี้อัตภาพร่างกายของเราเนี่ พอเวลาเราออกมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันทํางานทําการอยู่ในระบบในระเบียบของสังขารร่างกายของเราเนี่ยมีระบบลมระบบเลือดระบบประสาทระบบอะไรทุกอย่างมันอยู่ในนี้อาศัยว่าเราใส่ธาตุเข้าไปดินน้ําลงไปคืออาหารเราใส่เข้าไปทั้งปากเนี่ยพอใส่เข้าไปมันก็บดมันก็ย่อยมันก็ขับไปเป็นเลือดไปบํารุงส่วนนั้นไปบํารุงส่วนนี้แล้วก็ภายในตัวของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรของที่ทุกเซล ทุกสัตว์ทุกส่วนในร่างกายของเราจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าหากร่างกายอ้วนพีเซลล์ต่างๆในร่างกายก็เพิ่มเจริญมากมายเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเมื่อเราให้อาหารมันสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็อ้วนพีขึ้นมาเวลาเราดึงอาหารออกบ้างเหมือนอย่างเราอดข้าวกันนอดอาหารกันเนี่ยร่างกายก็สู้พร้อมลงไปสู้พร้อมลงไปไอ้ส่วน เซลล์ต่างๆเหล่านั้นก็หดลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหียวเราดูอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปธรรมท่านให้พิจารณารูปธรรมท่านให้พิจารณาเหตุปัจจัยของรูปธรรมเหตุปัจจัยของรูปธรรมอยู่ในท้องแม่เขามาอย่างไรเอาธาตุดินน้ำลมไฟมาจากสังขารมาจากพ่อมาจากแม่พ่อแม่บวกกันผสมขันนั่นเราเห็นรูปรูปรูปธรรม เกิดมาในท้องแม่เจริญวัฒนาทาวารออกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยม อ, ยออกมาเป็นตัวเราเป็นเราเป็นท่านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ต่างวัยต่างเพศต่างวัยกันเนี่ยเกิดก่อนเกิดหลังอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็อยู่ไปตามอายุไขหนุ่มสาวกลางคนเท่าแก่นะก็ตายไปในที่สุดก็คือหมดอายุไขคือธาตุขันี้มันเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปจนหมดอายุไขแล้วก็ตายในที่สุดนี่ท่านให้ดู ท่านให้ดูการที่เราดูอย่างนี้เพื่อให้เห็นหลักของสัจธรรมว่า ม, มียังไงเป็นยังไงด้วยเหตุที่เราไม่ได้ไม่ได้พิจรารณาไม่ได้ย้อนหลังไปพิจรารณาเราก็มีแต่ยึดเอายึดเอาว่าร่างกายของเราอัตตาของเราตัวตนของเราแท้จริงกิเลสพาเรายึดทางหากกิเลสพาเรายึดต่างหากแต่ธรรมสอนให้เราพิจรารณาเพื่อให้เห็นหลักความเป็นจริงของมันร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเราได้มาอย่างไนได้มาจากพ่อจากแม่ที่เราได้มาทุกวันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เรามานึกเอามาคิดเอาว่าของเรากายของเราเป็นอัตตาของเราเราดูเนี่ยแล้วเราย้อนไปในท้องแม่เราเห็นว่าหมมันเป็นของพ่อของแม่นั่นเป็นของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็คือส่วนแบ่งมาจากพ่อจากแม่ถ้าเราพูดถึงแน่กัตันยูกัตเวทีเนี่ย ถ้าเราเอาร่างกายของเราไปทําผิดศีลผิดผิดธรรมถือว่าเราอากตัญญูกับพ่อกับแม่เอาร่างกายของเราดีๆเนี่ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไปพูดโกหกเนี่ยไปกินเหล้าเนี่ยก็ถือว่าเอาพ่อเอาแม่เนี่ยไปทําผิดศีลไปทําผิดธรรมถือว่าอากตัญญูกับพ่อกับแม่ถ้าเราย้อนระ ล, ลึกมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราฝังจิตฝังใจได้ทีเดียวจะเป็นเครื่องช่วย ชะลอการประพฤติความประพฤติของเราหันเหมาในทิศทางที่ดีงามสนใจเกี่ยวกับเรื่องรู้จักรักษาดูแลประคับประคองตัวของเราให้เป็นไปตามศีลให้เป็นไปตามธรรมนนมีความสําคัญอยู่นี้เราระลึกได้เราน้อมนึกระลึกได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ระลึกแบบผู้ใหญ่ก็คือระลึกเพื่อให้เห็นหลักของสัจธรรมสัจธรรมในรูปธรรม เราพิจารณาเห็นให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปธรรมถ้าเราไม่พิจารณาเป็นไงถ้าเราไม่พิจารณามันลุ่มหลงมันลุ่มหลงแล้วก็เลยมีการยึดว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทิฏฐิมานะก็เพิ่มขึ้นมันก็มีขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นเวลามีอะไรมาขัดมาค้องมาขาก็โมโหโทโสเกลี้ยวกราดก็มากขึ้นทําให้เรื่องราวต่างๆเพิ่มพูนทวีคูณมา เกิดเรื่องเกิดราวอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้เราได้รับทุกข์รับโทษเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเรายึดเราถือทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่พิจารณาถ้าเราพิจารณาเราก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ไปที่มาของมันที่ไปที่มาของกายก็คืออย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่ไปที่มาของจิตนามธรรมก็มีเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุมาจากปัจจัยทั้งนั้นเหตุปัจจัยของนามธรรมก็คือใจ แท้จริงรูปธรรมก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากใจเหมือนกันเนื่องจากว่าใจของเรายังมีกิเลสอยู่เมื่อใจยังมีกิเลสอยู่ภบชาติของเราก็มีเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องไปแสวงหาที่เกิดเกิดในท้องแม่ปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยแต่ว่าความเป็นไปเป็นมาของนามธรรมคือใจนั้นพุทธเจ้าท่านย้อนไปย้อนไปย้อนไปท่านไม่ทรงพยากรณ์ว่าเกิดตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ตอนไหนอะไรยังไง แต่ผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีกิเลสติดเข้ามาด้วยแฝงเข้ามาด้วยผู้รู้ไม่บริสุทธิ์ผู้รู้คือใจธาตุรู้่มโนธาตุเนี่ยธาตุรู้ร่างกายของเราก็มีอะไรก็มีแต่มีแต่รูปประธานกนามธรรมรูปประธานก็คือร่างกายที่เป็นส่วนรูปนามธรรมก็คือใจที่เป็นธาตุรู้ธาตุรู้มโนธาตุมโนธาตุมโนธรรมเป็นนามธรรมที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่แปดเปื้อนเข้ามาก็คือกิเลสนั่นแหะ เนื่องจากกิเลสมีในใจของเราเนี่ยเราจึงได้พบได้ชาติเราจึงได้มาเกิดถ้าเราจะว่าร่างกายเป็นผลผลมาจากใจก็กได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไกลออกไปแต่ถ้าหากเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ใกล้เข้ามาก็คือเราอาศัยเกิดจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันที่ไปที่มาของใจก็คือนามธาตุพระพที่เจ้าไม่ทรงพยากรณ์ท่านบอกแต่ว่าใจแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นอวิชชาปัจจะยา เกิดมาจากอวิชชาท่านย้อนไปย้อนไปแล้วท่านท่านไม่ทรงปัญญาท่านบอกว่าอวิชชาเกิดขึ้นจากความไม่รู้อวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชช า, าเป็นปัจจยัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณอันนี้เราพิจารณาได้ทั้งการเวลายืดยาวนานห่างไกลออกไปเราพิจารณาได้ทั้งในปัจจุบันทันด่วนอันเกิดขึ้นจากที่เราไม่มีสติไม่มีสัมผัจันญะไม่มีปัญญา ไม่มีสติระลึกรู้เท่าทันในปัจจุบันนัการเลยเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เราลุ่มหลงเผลอไปกับอํานาจของกิเลสที่มันมาบดบงังมวยใจของเราช่วงการชั่วคราวแป๊บเดียวแปบเดียวเนี่เผลอไปกับมันเพลิลลนไปกับมันเผลอแล้วก็เพลินไปกับมันเผลอแล้วก็เพลินไปกับมันนี่เราไม่ต้องพูดถึงอวิชชายืดยาวที่เรือวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเราจะพิจารณาถึงช่วงระยะยาวอย่างนั้นก็ได้ จะพิจารณาจึช่วงระยะสั้นในขณะปัจจุบันทันด่วนเฉพาะใจเดียวนี้ตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาสติเอาสัมผััญญะมากำหนดมาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้รู้เท่าทันกองสังขารที่เป็นรู ป, ปธรรมอันนี้ที่เป็นนามธรรมอันนี้และสามารถชำระสิ่งที่บทสิ่งที่บังสติปัญญาของเราได้ในเมื่อเราเระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน วิชาที่กิเลมันคอยคอยช่องคอยโอกาสที่จะแทรกมาตรงตรงที่มันพลิกผันตัวเองอย่างมืดมืดทึบๆโดยที่เราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็กลายเป็นวิชาขึ้นมาได้ในเมื่อเป็นวิชายืดพืชเป็นพืชไประยะยาวๆไปมันก็จะทำให้เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยสามารถย้อนไปเห็นตัวสมุทัยได้เห็นหน้าเห็นตาของสมุทยได้ในเมื่อเห็นเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ เป็นเหตุรู้เท่าทันกันแหละตอนนี้เป็นเหตุให้ได้กําลังธรรมะก็ได้กําลังเข้ามากิเลสในเมื่อเราย้อนไปเห็นหน้าเห็นตามันมันก็มีกําลังป่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเราก็สาเข้าไปเรื่อยพิจารณาเข้าไปเรื่อยทั้งหมดนี้เป็นการทําลายความลุ่มหลงของตัวเองเนี่ยเป็นกิริยาเป็นการต่อสู้เป็นการตอกกนเพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเองมันลุ่มหลงยังไงถ้าเราจะไล่เป็นเส้นเป็นสายเนี่ย อวิชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปจัจจัยเกิดวิญญาณมันไล่ามาเรื่อยไล่ามาเรื่อยจนเป็นเหตุให้เกิดภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเป็นเหตุให้เกิดภพเมื่อมีภพและเป็นเหตุให้เราก็ไปเกิดในภพเป็นเหตุให้เกิดชาติขึ้นมาเมื่อเกิดชาติขึ้นมาก็เป็นอัตภาพเป็นตัวตนแล้วครับแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตตามาในาที่สุดอันนี้คือกระบวนการของกองทุกกองทุกเกิดเกิดด้วยอย่างนี้ เกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้นี่คือเหตุเหตุต้นต่อที่เป็นที่ไปที่มาของนามธรรมาของจิตใจของเราเราเพียงแต่รู้จักว่าจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์มีกิเลสเคลือบแฝงเข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาภาวนาทําให้จิตของเราได้รับความสงบเพื่อที่จะย้อนเข้าไปดูตัวกิเลส ท, ที่เป็นตัวสมุทยัยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกาย การพิจารณาร่างกายก็คือการมากำหนดรู้ทุกข์การย้อนมาดูจิตย้อนมาพิจารณาจิตก็คือการมากำหนดดูทุกข์ทุกข์ทั้งนี้เป็นผลร่างกายก็เป็นผลจิตใจก็เป็นผลผลทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าใ้กำหนดดูทุกข์ล้วก็ย้อนไปดูเหตุเหตุก็คือตัวสมุทยัยนั่นแหละสมุทัยก็คือเหตุที่เกิดของรูปรธรรมเหตุที่เกิดของนามรธรรม เหตที่เกิดข้อนา ม, มันทำหมายถึงว่าจิตที่ไม่สะอาด จ, จิตที่ไม่บริ ส, สุทธิ์นั่นแหละจิตที่เคลือบแฝงมานะครับกิเลสตัณหาอาสวะนั่นแหละตัวกิเลสตัณหาอาสวะเราชี้ระบุไปได้ที่ความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเราสามารถจะรู้ได้เห็นได้ไหมเห็นได้ในใจของเราเราย้อนไปไปดูความอยากภายในใจของเรา กิริยาอาการของความอยากมันเป็นยังไงเราดูเวลามันเกิดขึ้นที่ใจของเราเราดูดิกิริยาของที้เหล่มาแทรกเข้ามาทําให้เราอยากอยากในราคะอยากในตัณหาอยากในโลกอยากในโกรธอยากในโลกอยากในโกรธแล้วก็อยากในหลงเราใช้คําว่าความอยากนําหน้าทั้งนั้นแหละเนื่องจากความอยากตัวนี้แหละคือตัวตัณหาความทสียเทียนความอยากคือความริ้นรนของจิตจิตนี้จะ ไม่อยู่นิ่งนะในเมื่อกิเลยมันแทรกเข้ามาแล้วจิตจะดิ้นรนทะยอทยานก็ไปเรื่อยอยากอยากรู้อยากเห็นอยากใช้อยากสอนอยากนึกอยากคิดอยากสารพัดความอยากนี้มาจากอำนาจของตัณหาตัณหาคือความทยานอยากเราดูไปที่ตัวความอยากเนี่ยเอาอะไรดูเอาสติดูเอาปัญญาดูเอาสติเอาสอาสมัญจัญญะรวมกันแล้วเป็นปัญญาดูความอยาก ความอยากมันจะเกิดขึ้นเวลาเราเผลอพอเผลอมันอยากมีความอยากแทรกเข้ามาเลยแต่ถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราก็จับความอยากนั้นต่อในเมื่อเราจับความอยากนั้นต่อเราก็ต้องหลงเพลินไปกับอำนาจของกิเลสแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในท่าทีพอความอยากแสดงปรากฏปั๊บเรารู้เยบเรารู้ทันความอยากปรากฏปั๊บเรารู้ปั๊บพอมันแย็บเข้ามาปั๊บเรารู้ทันพอเรารู้ทันก็ดับพอเรารู้ทันก็ดับ เราก็ทํางานข้างนอกเข้าไปเรื่อยๆทางานข้างนอกคือทําที่ไหนคือมาพิจารณารูปธรรมพิจารณาผมขนเล็บฝ่าห น, นังเนื้อหรือมาพิจารณาดินน้ามลมไฟพิจารณาความลุ่มหลงที่เรายึดว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราพริจารณาจนเห็นว่าศักดวาเป็นสภาวะธรรมอเกิดขึ้นโดยเหตุด้วยปัจจัยเหตุปัจจัยอย่างที่เล่ามาแล้วนั่นแหละ ย้อนไปดูย้อนตั้งแต่ตอนนี้ไปย้อนย้อนย้อนไปจนอยู่ในท้องแม่นั่นเราเกิดในท้องแม่นั่นแล้วรับเหตุรับปัจจัยมาจากไหนรับมาจากพ่อรับมาจากแม่อยู่ในท้องแม่ก็ดูดเลือดดูดเนื้อของแม่แม่ได้ไปอย่างไหนแม่ก็ได้ไปจากธาตภายนอกอาหารใส่เข้าไปกลายเป็นเลือดกลายเป็นอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงเราอยู่ข้างในหนั่นดูดเอาจากแม่ น, นั่น แล้ก็เจริญเข้ามาเรื่อยเจริญพัฒนาทาวงก็มาเรื่อยเราไม่ตั้งจะให้เจริญเขาก็เจริญเนื่องจากสังขารไปเกาะกลุ่มกันแล้วเนี่ยจะขับเคลื่อนตัวเองไปเรื่อยไม่มีหยุดยัง้งสังขารทุกๆสังขารจะขับเคลื่อนตัวเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยไม่มีหยุดยัง้งเราดูง่ายๆที่ตัวของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเราดูแต่อาหารที่เราใส่เข้าไปในท้องนั้เราใส่เข้าไปแล้วเขาไม่อยู่นิ่งหรอกอเขาจะขับไปเลยทั้งข้าวทั้งน้ําทั้งอะไรเนี่ยขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่ ถ้าฉันมากๆฉันดิบดีฉันอาหารดีๆฉันอาหารที่มีรสชาตินีเหลาก็ทำให้ร่างกายอ้วนพีผิวผ่องพันขึ้นมากำลังวังชาก็เปลี่ยนไปร่างกายก็อ้วนพีเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นไปตามภาวะของมันเราไม่ต้องไปคิดไปกับไปเกลียนให้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันเองนี่คือเรื่องของสังขารมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เราบังคับบัญชามันได้ไหมบังคับบ si ัญชาไม่ได <ind> <s>? ้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้คําว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีมันมีอยู่แต่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ตอนเรียกว่าอนัตตาอนัตตาในเมื่อเราบังคับบัญชามันไม่ได้เราว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราได้ไหมเราก็ว่าไม่ได้ถ้าเป็นเราเราต้องบังคับได้ นี่ในแง่ที่ทัานไล่กันในในหลักอนัตตลัคนาสูตรไปอ่านดูถ้าเป็นอัตตาเราต้องบังคับได้ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาให้ให้เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอ น, ตานัตตานี่ทั้งรูปธรรมก็เป็นอนัตตาทั้งนามธรรมก็เป็นอนัตตาจิตใจเราบังคับบัญชาได้ไหมจิตใจที่เคลือบแฝงไปด้วยสังขาร เคลือบแฝงไปด้วยสังขารสังขารที่คอยปรุงจิตอยู่ตอนนี้ก็คือกิเลสนลั่นแหละมันไปคอยปรุงจิตให้จิตเป็นไปต่างๆนาน า, น า, น า, นานโดยที่แท้จริงของจิตคือจิตมีแต่ผู้รู้มีแต่ความรู้มีแต่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ชําระที่เคลือบแฝงมากับจิตชําระไ ป, ไปชําระไปชําระไปชําระไปชําระไปจนหมดสิ่งที่เคลือบแฝงมาคือกิเลสนะ่ะมันหมดไปจากจิตเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละผู้รู้ที่บริสุทธนะิ์น่ะไม่มีพพไม่มีชาติ เพราะไม่มีสังขารที่จะปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณให้เกิดสังขารให้เกิดเกิดอายตนะภายนอกให้เกิดอายตนะภายในให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดเพราะให้เกิดชาติอุปาทานไม่มีและอุปาทานได้หมดเพราะเราไม่ยึดเราไม่ถือเราไม่ยึดไม่ถือเพราะอะไรเพราะมันเข้าถึงหลักที่แท้จริงของ ม, มันก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตามภาวะดั้งเดิมของมันผู้ที่ทํางานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือข้อปฏิบัติ ที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาคือปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่ให้เรางงท่านสอนให้เราทํำใจใได้รับความสงบเมื่อใจได้รับความสงบมาแล้วสัตยธรรมต่างๆก็จะค่อยๆเริ่มปรากฏในใจิตในใจของเราจิตใจของเราก็แช่มชื่นเบิกบานความสุขก็เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ความคิดในแง่โลกหรือที่ท่านเรียกว่าในแง่โลกกรรมเราก็รู้เท่าทันมัอนมันได้มา เรเออมันได้มาเดี๋ยวก็เสียไปบางทีเราก็ประสบความสุขเออเดี๋ยวก็มันก็ประสบความทุกข์เนื่องจะวางมันไม่แน่นอนเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสียไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้การที่เรารู้เท่าทันอย่างนี้ทําให้เราคาดหน้าคาดหลังได้ไม่ทําให้เราหลงไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพลิกผันให้จิตใจของเราได้รับได้รับความทุกข์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเรื่องว่าเรารู้เราเข้าใจเรื่องโลกธรรม ถ้าเราไ ม, ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงเรื่องโลกธรรมเราจะเข้าถึงเราจะรู้ถึงสัจธรรมไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดมันกั้นนี่เรามาศึกษาเรารู้อยู่กับสิ่งต่างๆเรามีแค่นี้แล้วก็ลึกเข้าไปถึงเรื่องของสัจธรรมท่านจริงสอนให้เราทํำจะให้ได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วเราก็ทราบเรื่องโลกธรรมแล้วก็จะทราบเรื่องของหลักของสัจธรรมแล้วก็จะทําให้เรามีกิจิตยิบใจมีความสุขมีความช่ำชื่นมีความ เบิกบานมีความอบอุ่นใจมีความพอใจมีความหวังพึ่งหวังพิงกับงานการที่เราทําคือภาวนาทําให้ปัญญาเราเจริญภาวนาให้จิตได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วก็มาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาแตกฉานเข้าไปรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในกองสังขารเพื่ออะไรเพื่อเข้าไปรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของรุบธรรมของนามธรรมนี่แหละพอเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้ว มันเป็นการเปิดเผยขึ้นมาทําให้กิเลสที่มันเคยมาลุกคลั่หัวใจของเราเนี่ยมันก็ถอยไปถอยไปด้วยเหตุที่มันยึดมันเกาะไปในหัวใจของเราเนื่องจากว่าเราไม่เคยรู้เห็นเหตุผลต้นต่อของมันมันก็เลยมีจะหลอกเราก็เลยหลอกเรื่อยหลอกเรืหลอกเรื่อยหลอกเรืกมันอัตตาของเราตัวตนของเราสิ่งนั้นของเราสิ่งนี้ของเราทําให้เกิดทิฏฐิทำให้เกิดมานะอืทําให้เกิดการแย่งทําให้เกิดการชิงทําให้เกิดการคด เกิดการกองเกิดการต่อสู้ทะเลาะวิวาทเกิดอาฆาตพยาบาทฆ่าจองเวรกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยถ้าเราไม่มาช่องทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติเพื่อเข้ามารู้เรื่องของสัจธรรมแล้ววัตฏสงสารไม่มียุติไม่มีสงบไม่มียุติจะมีการยืดยาวไปข้างหน้าอย่างไม่จบไม่สิ้นท่านบอกว่าความยาวไม่มีสิ่งใดที่จะยาวเท่ากับวัตฏสงสารบุคคลที่ไม่รู้หลักของสัจธรรม วัฏฏะสงสารของผู้ไม่รู้หลักของสัจธรรมเนี่ยเป็นความยืดยาวไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะฉะนั้นเราศึกษาเราปฏิบัติเพื่อเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจเรื่องของหลักสัจธรรมศึกษาไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยได้เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานความสงบก็แนบแน่นเข้าไปเรื่อยได้รับความสุขในภายในเข้าไปเรื่อยจิตใจก็ได้หลักได้เกณฑ์เข้าไปเรื่อยได้หลักได้เกณฑ์เข้าไปเรื่อยลอกนี้ เราก็รู้ว่าโลกก็เป็นโลกที่ชื่นชอบว่าโลกกับธรรมโลกกับธรรมก็เป็นเรื่องของโลกกับธรรมไปการทําหากินแล้วก็ทราบทราบได้ว่าหาให้ได้มาเพื่อได้ทําที่อยู่หาให้ได้มาเพื่อได้เอามามากินหาอยู่หากินที่จะว่าหาอยู่หากินกินก็คือบริโภคเพื่อร่างกายนี้อยู่ได้อยู่ก็คืออยู่นุ่งหม่มร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือต้องหายามาดูแลมารักษา แล้วก็ดูแลแล้วก็รักษาไปตามภาวะความมีความเปลี่ยนข้อมันทั้งนั้นนี่ถ้าเรารู้จักย้อนหน้าย้ยอนหลังเราก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยอ่าในเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยส่วนละเอียดแล้วเหตุปัจจัยส่วนหยาบข้างนอกที่เราเป็นเราอยู่เนี่ยก็จะทําให้เราฉลาดขึ้นจะทําให้เราดีขึ้ น, นจะทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลว่าเราจะต้องไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเพราะ สัจธรรมปรากฏเฉพาะหน้าแก่เรารู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปยุติไปแล้วก็จบทุกอย่างก็จบจบแค่นั้นเนื่องจากว่าเรารู้เราเข้าใจเรื่องของหลักของสัจธรรมเรารู้เราเข้าใจแค่นั้นก็จบแค่นั้นไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงไม่ต้องไปวิวาดไม่ต้องไปถกเถียงไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรกับใครกันนั้นก็เลยเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติที่ท่านเรียกว่าสันติสุข นี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเราอยู่ในปัจจุบันเราก็มีความสุขมีความสงบในเมื่อเรายังไม่จบยังเรายังไม่จบพรหมจรรย์เราไปเราก็ไปอย่างสุกโตเราไปอย่างสุขติในเมื่อเราเห็นโทษเห็นภยัยบุญบา ร, รมีเรามีพอเราก็สามารถจะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารได้ในอัตภาพนี้มีก็เป็นที่หวังเป็นที่พึ่งแก่พวกเราด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจ ประพฤปฏิบัติธรรมตั้งอกตั้งใจให้ทานตั้งอกตั้งใจรักษาศีลตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมใช้อบายใช้วิธียังไงที่จะได้อัดได้ทำพวกเราก็ต่อสู้กันมาทุกระยะทุกเวลาปดหลับปวดนอนผ่อนอาหารเดินป่าเดินดงเดินทุ ด, ดงเดินใส่เกือบใส่รองเท้าเดินไม่ใส่รองเท้าเดินเหยียบย่าไปให้ได้รับกองทุกข์ จากนั้นกับถือตุ ด, ดงข้อนั้นข้อนี้ตุ ด, ดงสิบสามข้อพยายามตั้งอกตั้งใจทําเพื่อเป็นข้อชาระขัดเกลวพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจทําเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องของสัจธรรมต่างๆเ่านี้เองเพื่อนำมาซึ่งสันติสุขอย่างถาวรอันนี้แหละคือเห็นนำมาเพื่อสันติสุขอย่างถาวรพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกหนึ่งท่านถึงสันติสุขอย่างถาวร พวกเรามีความสุขชั่วการชั่วคราวไม่ถาวรของท่านเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เราฟังที่หลวงตาท่านพูดนะ่ะตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไปแล้วเนะี่ยไม่มีความทุกข์แม้แต่เท่าเม็ดหินเม็ดทรายมาผ่านหัวใจเราฟังดูแล้วมันทึ่งไหมเราฟังดูแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์ไหมพอถึงขั้นนั้นพอถึงตรงนั้นแล้วก็เป็นการถอนออกมาทั้งหมดใจถอนถอนออกมาอีกถอยออกมาเอง ขอออกมาจากเหตุจากสมุดไทยจากอะไรทั้งหมดอแล้วก็พ้นพ้นไปเป็นวิมุติเป็นจิตที่พ้นพ้นก็พ้นโดยเด็ดขาดรู้ได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบอกได้เต็มปากว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านปัญหาทั้งหลายที่เคยสร้างบ้านสร้างเรือสร้างอะไรให้ท่านเนี่ยท่านเห็นหมดแล้วแหละอื อุบายวิธีที่มันทํำยังไงมันสร้างยังไงรกรากบ้านเรือนของมันมันทําให้ท่านอยู่ยังไงท่านรู้หมดแล้วแหละท่านเรื่อนั้นหมดแล้วท่านเรื่อนั้นลงแล้วท่านดึงอันนั้นลงแล้วท่านดึงอันนี้ลงแล้วเน่ยรู้หน้ารู้ตามันหมดแล้วเนี่ยทําให้พระองค์ปฏิญาณตนว่าเออพอและพอใจแล้วพอใจแล้วยินดีพอใจคือพอใจในผลงานเพราะมีญาทัศนะรู้ว่าพระองค์พ้นโดยวิเศษบริสุทธิ์แล้ว พ้นจากวัตะสงสารด้วยอาสะวัคยายานพ้นไปจากกิเลสตานาะอาสะวะทั้งหลายทั้งปวงครูบาอาจารย์ลาที่ท่านปฏิบัติถึงแล้วท่านก็มีความสุขถาวรมีความสุขมีความสงบมีความสันติอย่างถาวรพวกเราเป็นพุทธบุตรเป็นลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์พวกเราก็ตั้งอกตั้งใจพยายามเดินก้าวไปตามท่านตามมากตามน้อยให้สุดชีวิตจิตใจของใครของเรา การลงทุนทั้งนี้เราไม่เสียเปล่าไม่เปลืองเปล่าไม่เสียเปล่าขอให้ตั้งอกตั้งใจตั้งใจทําเมื่อไร่เราก็ได้รับผลเมือนั้นตั้งใจทำเมื่อไรเราก็ได้รับผลเหมือนั้ น, อ, น, นอย่าคิดว่าทําเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยการทําแบบนั้นมันก็เป็นการไม่รู้จักประเมินผลนตัวเองเราสามารถรับผลได้ทุกรียะในการที่เราทําแม้แต่กเราเสียสละตั้งใจให้ทานเราก็ได้รับผลตั้งใจรักษาศีลเราก็รู้การชั่งรวมระมัดระวังกิริยากายวายจาใจของเรา เรแค่ตั้งใจรักษาสิ่งมาสงบระงับภายในจิตให้จิตได้รับความสงบเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าจิตสงบกิเลแสแทรกไม่ได้มีความสุขมีความชุ่มเย็นขนาดไหนแค่ไหนเราก็ทราบในตัวของตัวเราจากนั้นในเมื่อเรามีปัญญารอบรู้แล้วเห็นเหตุของมันเห็นปัจจัยของมันทั้งหมดย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปเห็นตัวสมุทัยทั้งหมดจนสามารถถอดถอนได้มันก็เป็นเรื่องประจักภายในจิตใจของเรา นี่คือผลเคือใานิสงที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้จะต้องตามมาในที่สุดยังเหลืออย่างเดียวพวกเรายัางบกพร่องให้กับตัวของตัวเองเท่านั้นเองคือไม่เห็นโทษเห็นภัยอย่างจริงจังในเมื่อไม่เห็นโทษเห็นภัยอย่างจริงจังก็ทําไม่จริงจังทําทําปลา่อยปย่อยจับจั บ, บาวางๆางผลที่จะเกิดก็เกิดกระท้อนกระแท่นบางทีผลจืบเนื่อง ยังไม่เกิดอันเก่าพอละลายหายไปหมดแล้วะเสื่อมไปหมดแล้วอันใหม่ยังไม่เกิดผลกําไรยังไม่เพิ่มทุนขดหายเข้าไปหมดแล้วอันนี้เราก็ต้องโทษตัวเราเองเราบกพรองที่การตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วพวกเราก็ตั้งออกตั้งใจด้วยกันทุกคนเราละพอสมควรนะเนาะ